ก็ตรงกับวันอาทิตย์นี่ี่อะไร 7, เจ็ดดอ่าไปได้แล้วลืมแล้วลืมวันลืมคืนนีแย่เลยนะเออสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะแนะนำให้เธอทั้งหลายรู้จักคาว่าปัญญาบารมี ในในบรารมีทั้งสิบประการนะถ้าเพื่อนเราจะใช้กำลังปัญญาของเราไปประหัสประหารและซึ่งสังโยชน์คือเครื่องรับรับจิตใจเราที่ทำให้จิตใจของเรา น, นตกอยู่เป็นภาพแห่งความทุกข์ปัญญาจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะถามว่าปัญญามาจากไหนก็ไม่จะไปหาจากตำราที่ไหนหรอก มันมีอยู่กับตัวของเรานี่แหละปัญญายังจะนำให้มันเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็ต้องมีวิธีที่ให้มันเกิดปัญญาขึ้นปัญญาบา ร, รมีคือมีกำลังบา ร, รมีเต็มคือกำลังกับปัญญานั้นเต็มทีนี้เต็มมาไปใช้ประเด็นอะไรถ้าทำยังไงให้ทานบา ร, รมีเต็มมันก็ต้องมีปัญญ า, าทำยังไงให้สินบา ร, รมีเต็มก็ต้องอาศัยปัญญา ทำยังไงให้เนตคำระบารมีเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาทำยังไรคันติบารมีของเราจริงจะเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาอีกนั่นแหละหรือว่าทำยังไงให้เวยาบารมีของเราเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาจะเป็นจัตเจบารมีอธิษฐานบารมีหรือเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีก็ต้องอาศัยปัญญาทั้งสิ้นนั้นปัญญาเป็นพระเอกที่ทำให้บารมีอีกเตัวนั้นเต็ม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 ข้อบกพร่องที่เราจะเห็นว่าเรามีปัญญาเราหรือยังหรือว่าปัญญาเรายัางน้อยปัญญาเรายัางไม่เต็มเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องสังเกต น, นี่ถ้าพูดถึงสินทานเราไม่พูดละเพราะพูดมันมากแล้วก็าพูดถึงสินใช่ไหมทำทำยังไงอลไจึงจะมีสินบารามีเต็ม น, นะสิลมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยจิตที่ตั้งมั่น คำว่าตั้งมั่นในที่นีจะตั้งมั่นที่จะกระทาค่ามดีละความชั่วจิตที่มันตั้งมั่นคือเป็นสมาธิแต่เราไม่ตั้งมั่นในอารมณ์มันก็จะต้อง่ายแต่ว่าให้ฉันจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ยังนี้แสดงว่าเราไม่เอาดีเราไม่คิดจะทําให้จิตของเรานะั้นพ้นจากค่ามชั่วเนื่องจาว่าตั้งมัน่นมันหมายถึงว่าสมาธิแต่ว่าจิตตั้งมัน่น เมจิตมันตั้งมั่นกับการที่คิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทาความชั่วในห้าประการคือสินงห้าและ ก, กรรมบวสิทธิ์ถ้าเราเอาท่องท่องเป็นข้อๆแล้วมาปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องแค่สมาธิปัญญายังไม่เกิดจิ่นก็ยังไม่สามารถจะคลองแกเราแต่การที่เราเอาปัญญาไปคิดในเรื่องของสิ่งเขาคิดเป็นอย่างไรเล่า ประการแรกก็ต้องเห็นว่าประโยชน์ของศีลน่ะทำให้เราเป็นสุขจริงหรือไม่สุขจริงเพราะพระเจ้าทรงตัดปัสสน์มีรักษาศีลแล้วมีเป็นผู้มีโชคลาบรักษาศีลแล้วก็มีความสุขรักษาศีลจะเป็นบันไดสู่พระนิพพานได้นี้ถ้าเรามีประจิตเจตนาจะส้องยากจะไปนิพพานศีลก็ต้องเป็นบันไดหนึ่งที่เราจะต้องมีเพื่อเดินต่อไป มันทำให้จิตม้องไหมที่เราจะตั้งมั่นในการนั่งึกนึกอยู่เสมอเสมอว่าเราต้องรักษาจิตของเราไม่ให้มีความชั่วเช่นมีความชั่วที่จะคิดกระตุ้นร้ายทางกายกับใครไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่มีจิตคิดกระตุ้ลร้ายทางวาจากับใครทั้งคนและสัตว์ไม่มีจิตเมาบันในชีวิตที่จะขาดทื่อสติสัมปชัญญะเพื่อทำลายความดีของคนความดีของสัตว์ หรือความสุขของเขานั่นเองทีนี้เรามาคิดกันง่ายๆเอาแบบง่ายนะไม่เอาแบบยากยุ่งเหยิงาการที่เราจะมีเสินบริสุทธิ์ได้ทําไมปัญญาจึงมาเกี่ยว ข, อข้องเพราะถ้หาเพียงแค่ห่องเอาไว้ทั้นวัดเป็นเรื่องปานนาสีปาฏวัดเป็นซึ่งอจินนาทานอย่างนี้เป็นต้นก็คือเราท่องอยู่และเราคิดว่าเราไม่ฆ่าแล้วนี่เราไม่มีโอากาสที่จะไปฆ่าตัดเราไม่ยินดีที่จะลักลัก เราไม่ทำแล้วเรารวยเราสบายดีเรารวยอยู่แล้วเราไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องไปขโมยใครล้วก็มือกินไม่ต้องไปฆ่าสัตเราก็มีคนค่าฉันกินนี่ก็ไม่ต้องทําร้ายสักวฉันไม่ต้องไปจิบลูกปินเมียใครเราใครใครขยายชัดได้ฉันมาเป็นสามีได้ฉันมาเป็นภรรยาเยอะแยะยไปไม่ได้ไยแย่งของใครใครขยายฉันเป็นเป็นเช่นนั้นจากเขาได้อยู่เสมอทุกคนก็อนุญาตยินดี เพราะว่ารวยฉันจะไปโกหกเพื่ออะไรเพราะฉันมีทุกอย่างพังพร้อมสมบูรณ์นี่แล้วฉันไม่ต้องการสักจักรที่ไหนอีกฉันอยากได้อะไรฉันก็ได้โกหกไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อยากกินเหล้าเมายาเพราะว่าทําให้กลายเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีของบุคคลที่ถือเอาว่าฉันอยู่ในฐานะที่ดีแล้วการกินเหล้าเมายามันทํามันเป็นคนพาลหรือเหมือนโนกนักเลงเหล้าเขาจะหาว่าเราเนี่ยมันเป็นพวกนักเลงหัวไม้ เหลือพวกกิเท่านะกิเท่าก็นคนไม่เอาไหนแล้วนะพกโน่นตลงตลาดโน่นที่เข้าเมากันมันกันต่างหัวตะโพงตะพานมันอย่างนี้เป็นต้นนะนี้นคนรวยเขาจึงไม่ทํำตริยาการกระทําคิดที่จะกินเหล้าเมายาหากโดยพิจารณาไปว่าห้าข้อเขาครบเขาไม่ได้มีปัญญาที่จะไปคิดถึงว่าศีลจะเป็นบันไดให้เขาไปสู่พระนิพพานเรื่องนี้เขาไม่คิด ศิลจะทําล้วเขาไม่ตามสุขเขาก็ไม่คิดที่เขาคิดอยู่ว่าเขามีตามพอแล้วพอใจแล้วเขาเขารวยศิงจะทำแล้วเขาไม่โฟกัตทับมาเขาก็ไม่ต้องคิดเพราะเขามีอยู่แล้วจะถ้าไป ท, ำทำําจะมันเกิดโฟกัสทับอีกเขาก็จะโฟกัสทับมันคืออะไรรูอย่างเดียวว่าเขามีทับสินเงินทองเยอะแยะมากมายใส่ของต้องการเอาเมื่อไหร่ก็ได้นั้นถ้าเราพิจารณาตามนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเป็นคนมีศิลป์ไหม ถ้าตามกติของพระ ก, ก็ยังไม่มีเลยเพรหนึ่งยังไม่คิดถึงความดีที่ตั้งใจจะรักษาสิ่งเพื่ออะไรเพื่องดเว้นจากความชั่วเพื่อให้ตัวของตอนนั้นพ้นจากความทุก์ยังไม่คิดแต่คนที่รักษาสินได้กําลังปัญญาเขาต้องคิดว่าที่ตัวเองเนี่ยงดเว้นในสิ่งห้าประการรักษา ก, กรรมบทชติเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาทุกข์เขาไม่อยากจะเกิดเขาอยากจะไปนิพพาน และก็มีความมั่นคงว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสอ่ะฆ่าใครประทุษ ร, ร้ายหรือทาการตุสินคนคนนั้นจะต้องตกนรกตาเป็นคนเขาตกนรกมันทุกข์หนักกว่าเป็นมนุษย์อีกนั้นความทุกข์เนี่ยมันคือทําให้เขาเห็นปัญญาอย่างหนึ่เมื่อความทุกข์มันเห็นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีความทุกข์อย่างนี้เราไม่อยากจะเป็นมนุษย์อีกต่อไปถ้าคืนเราเป็นผู้ทําลายสินเราตกนรกแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ เราต้องสุกกว่าที่เป็นอยู่ดั้งเดิมในชาติปจัตปัจจุบันอีกหลายล้า น, เ, า น, นเข้านักนักเข้าไม่ได้สิ่งนี้จึงเป็นความคิดเขาได้ว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นจิตจะไม่ทําความช่วยอย่างจริงจังจักว่าเป็นสมาธิเพราะเขาต้องนึกสิ่งที่เขาต้องกระทาอยู่เสมอถ้าจิตมันนึกอยู่เรื่อยๆไปตองประกอบของปัญญาในการคิดพิจนารณาเตือนจิตตัวเองว่าฉันจะไม่ฆ่าตัด ท่านจะไม่รักษาเพราะว่ามันเป็นความชั่วที่จะเดินกิตของเขาเศร้าหมองมันจะเป็นผลกรรมที่ต้องตามมาตัวเขาอีกในชาตินี้และชาตหน้าถ้าท่านไม่ต้องการจะเกิดท่านก็ต้องรักษาจิตให้เข็งขัดเอาจริงเอาจังมันมีผลที่ตัวเองตั้งความมุ่งมั่นว่าจะไม่ต้องการกลับมาเกิดต้องการใจนิพพานพอพระพุทธเจ้าตรตัสแล้วว่าจิตเป็นบันไดเข้าสู่พระนิพพาน ถ้าเราขาดซึ่งการรักษาเสร็จให้มั่นคงน่ผ่านชานนี้เราก็คงไปไม่ได้ไปได้อย่างเดียคือหวังได้คือทุคติอบัยภูมินั่นเองสิ่งนี้คือปัญญาปัญญาอย่างหนึ่งแต่มันยังไม่ครบทั้งหมดมันแค่ส่วนหนึ่งที่ดึงให้ใจของเขาตั้งมั่นเพื่อให้เกิดสมาธิยังไม่จะ ป, ปัญญาจริงๆเป็นปัญญาทําให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นที่จะพยายาม ประมาตระวังสำรวมมีให้จิตของเรานั้นเผอไปกระทำความชั่วคิดดึงให้ตัวตอนนั้นต้องคลาดไปสู่อาบายภูมินี่คือกลัวไหมมีความละอายมีหิริมีความละาอายตรตาประสาปมีความเกินกลัวผลทจะเกิดขึ้นไม่ทําพอไม่ทําเนี่ยมันก็คือยั้งใจเราต้อง ต, ตื่นกันนะ่ะฉันไม่ทำฉันไม่ทำฉันไม่ยอมพลาดฉันไม่ยอมเผยฉันไม่ยอมที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ครั้นี้ว่าทําไปมันจะมีภาคมีเผลอไหมมีเมื่อ ม, มันาพาดเผลอทุกคเสียใจสเสียใจว่าเราคลาดอีกแล้วนลกกันแน่เลยเรานี่ยสินขาดแล้วไม่สบายใจก็ไม่สบายใจก็ต้องไปนั่งต่อสินใหม่ไปสมาทานสินต่อพระใหม่เขาก็มาพระสมาแทางสินใหม่ใจก็ไม่มีความสุขนึกถึงเรื่องที่ตัวเองพลาดไปยินี้ถือว่าปัญญาบารมียังไม่เต็มในสิน เพรจะทํารท้อยสิ่นยังหาความสุขไม่ได้กับตัวเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกมีสิ่งแล้วมีจิตเป็นสุขแต่นี่มันไม่สุขมันยังไมมีความสุขเพราะว่ามันมีความระแวงมีความกลัวในผลที่ตัวเองทําไปโดยสติปัญญามันยังไม่คิดพิจารณาดังนั้นเขาก็มีอากาศที่ต้องเข้าไปสู่ความสงบให้มากหน่อยคือขยันนึกขยันนึกถึงคนของพระก็จับภาพพระเมัง่งภาวนาบ้งางอยานี้คือสมาธิ ที่เป็นการหล่อเลี้ยงให้จิตใจของเขานึกถึงสิ่งที่เขาต้องระงับงดเบ้นเสี้ยเพื่อไม่เกิดททษต่อเขาต่อายหลังความจิตมันจัดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆคามชำนาญของจิตคือความสงบมันมีมันทําให้เกิดตามสะดุดจิตเวลาเราคิดถึงความจริงที่พระองค์ทรงสอนว่าทุกค น, นะ่ะคนละสัตว์เกิดมามีกรรมเป็นของตนเขาเริ่มที่จะเอาความจริงเข้ามาคิดยอมรับนั้น เมืเเ่อโดนกระทบสัตว์ตายโดยไม่มีเจตนาเขาก็คิดว่ามันเป็นกรรมของสัตว์เพราะเขาไม่มีเจตนาที่จะกระทให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับสัตว์ตัวนั้นปัญญาเริ่มมีไหมเริ่มมีแล้วในเวลาเดียวกันในความเมตตาสงสารก็พุ่งแรงออกจากใจอย่างมากมายก็มีตามสงสารสิ่งสงสารสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ที่ไหนก็พยายามเห็นไม่ได้เห็นก็พยายามช่วยชีวิตเขาพยายามช่วยชีวิตเขา สงสารกลัวมันยังนั้นกลัวมันอย่างนี้ใครก็ทําก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทขําฆ่าตัดสงสารเหลือเกินอย่างนี้ก็มีแต่ในเมื่อก่อนหน้านนี่ตามรู้สึกแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดถึงยุยงส่งสอนให้เขาฆ่ายินดีที่เห็นเขาฆ่าและบางทีตัวเองก็ฆ่าตัวเองแต่ตอนนี้มา เ, เห็นตัดเห็นตายเห็นที่เขาเอามาฆ่าในตลาดสงสารจับใจเงินก็ไม่มีเพียงพอที่จะห ม, อหม้อหมดทั้งตลาด บทวันนี้วันพรุ่งนี้มันก็มีมาอีกทํำยังไงปัญญามันยังคิดถึงตามเป็นจริงยังไม่ครบมันก็มีความรู้สึกตศ้าใจเสียใจรู้สึกหวนคิดจริงที่ไรต้องมีความสงสารจับใจคีดว่าเราจะไปเอามันปล่อยล่ะก็เปิดซอมันมาปล่อยพต่ลองไปปล่อยมันจริงๆเข้ามันกับไม่มีชีวิตรอดให้เราได้เห็นก็เสียใจอีกมันตายบางทีมันก็ตายในขนาดที่เราฮิ้วไปบางทีมันก็ตายในขณะที่เราปล่อยน้ำ ปวงจีก็สุกกับใน น, น้ํานั่ะกลับจิตตายต่อหน้าต่อตาเราสงสารอีกเสีใยใจอีกไม่มีความสบายใจรักษาจิตทำไมจิตไม่เป็นสุขก็เพราะพระเจ้าตรงจัดวารักษาจิตแล้วมีสามสุขกลับไม่มีความสุขในใจก็หมายความว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นในการมองเห็นความจริงยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมเอไม่สมบูรณ์ก็แสดกปัญญาบารมีในจิตเราก็ยังไม่เต็ม ว่ามาเป็มก็ซึ่งคิดพิจารณาต่อไปว่านในในระหว่างที่จิตมีการฝึกเพื่อความสงบก็คิดถึงความจริงว่าโดยเอาเถอะเพราะระพุทธเ้าสอนแล้วว่าชีิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงไม่จิตไม่ใช่คําว่าชีิตมันหมายถึงเราคนเดียวที่ไหนแต่ชีิพมันถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีจิตมีใจเราก็ดีเขาก็ดีพี่น้องเราก็ดีพ่อแม่เราก็ดีลูกหลานก็ดีสามีก็ดีภรรยาก็ตามแม้แต่ท่านคนอื่นที่เราไม่รู้จัก สัตว์และสัตว์น้อยมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิ ญ, ญญาณอาศัยอยู่พระพระเจ้าทรงตรัสว่าทุกชีวิตแต่มันไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงพอมื่อความคิดอย่างนี้พอจะเข้าใจด้างพอไปเจอกับความจริงคือไปโดนสัตว์ตายหรือกระทาให้สัตว์ตายโดยไม่มีเจตนาะจะได้เหตุที่จะสงเคราะห์ให้เขาพ้นจากความตายก็ดีหรือว่ากระทาโดยไม่รู้เท่าถึงการก็ตามไอ้ความเข้าใจสิ่งนี้ที่ฟังมาจากพระก็เริ่มมา ฝึดขึ้นมาในใจอนนพอฝึกขึ้นมาในใจอาศัยที่จิตมันสงบ ม, มันก็เกิดความเข้าใจว่าเออจริงมันเป็นความจริงเช่นนั้นนะเนี่ตายทุกคนต้องตายสัตว์ต้องตายและไอ้ที่เราทําให้เขาตายเราไม่ได้คิดที่อยากทำให้เขาตายแต่ไม่มีใครหรือเรื่องความตายได้ปัญญาเริ่มชัดขึ้นดีขึ้นพอดีขึ้นเวลานี้ไปดดนสัตว์ตายก็ไม่รู้สึกเสียใจจะรู้สึกปลดใจ จดใจว่าโอ้ชีวิตเกิดมาบันนี้ไม่พ้นนะมันไม่พ้นความจริงอย่างนี้แท้ๆเราเองก็ต้องตายคนทุกคนก็ต้องตายขณะนี้ไอ้ของตายตัวน่ะเขาตายแล้วมันยังรู้สึกไม่เท่าไหรแต่ควาไม่ตาสงสามที่มีเในใ จ, ใจิตใจมันยังมีล้อนออกมาทละลักออกมาในใจของตนแล้วก็รู้สึกว่าสงสารสงสารไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้เขาพัดพากจากกัน ไม่อยากให้ปลาตัวนี้มันาพลาดจากพ่อจากแม่มันยังนึกเอคิดไปกับเทเฮระนั่นก็ถือว่าเรายังมีอารมณ์ฟุ้งมันยังไม่สงบมันยังไม่หยุดความฟุ้งซ่านของจิตก็แสดงว่าปัญญาบาริณีของเราก็ยังไม่เต็มในสิ่งก็ทําทต่อไปอีกภาวนาอีกพิจารณาอีกทบทวนในสิ่งที่พระท่านสอนว่าทุกคนมีชีวิตอยู่ไม่นานหรอกนะมันเป็นของไม่แน่นอนจต่ความตายแน่นอน ที่จับใจแล้วพอมจาจับใจเรื่องนี้จับใจเรื่องความเป็นจริงคือกฎของธรรมดาคือกรรมมันก็ต้องเข้าใจความจริงอย่างนี้สม่งเสมอพอมาเข้าใจความจริงอย่างแจ้งครับปุ๊บเวลาไปโดนตัดตายคราวนี้เข้าเฉยๆคาว่าเฉยๆนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรแต่เหตุผลนี่มันเกิดขึ้นในใจของเราเองแล้วว่ามันปเป็นเลื่องปกติธรรมดาของเข่าของตัดที่จะต้องเป็นไปมันต้องเกิดแกเจ็บตายเป็นธรรมดามันต้องคัดพ่าดจากสิ่งที่มารัก ของที่มันมีแม้กระทั่งชีวิตของมันเองมันก็ต้องพัฒ่าเป็นธรรมดาใจก็จะมองไปในคำแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมได้ถึงพระอริยสงฆ์จักแต่ว่าสิ่งที่พระองค์รงต์ักน่ะจริงแท้แน่นอนสรพพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเป็นสิ่นนี้ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้พ อ, อใจมันมีธรรมคุ้มครองจิตมันทําให้จิตของผู้นั้นน่ะ ไม่สั่นคลอนวันไหวแต่การที่กระทำลงไปโดยไม่มีเจตนาซึ่งเชื่อว่าจะยุยงส่งเสรมให้คนอื่นทําเป็นอันว่าจบไม่เอาแน่ซึ่งเชื่อว่ายินดีใครก็ทำดับเมื่อถึงก็ไม่ยินดีแน่ทินทุกข้อใช้อารมณ์เดียวกันใช้ความคิดเหตุผลอันเดียวกันหนึ่งเราไม่วุ่นวายไม่อยากได้ทรัพย์ของใครก็เพราะว่าทรัพย์ของทุกๆคนมันก็เป็นของไม่เที่ยงต้องอันตรายานอยู่แล้วของเราก็ต้องหายต้องพัง ของเขาก็ต้องหายต้องพังจะผิดเขาเราจะไปทำสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเราไม่เอาแล้วเพราะอะไรไม่ตา ม, มันมีความสงสารหนึ่งไม่อยากให้เขารู้สึกไม่สบายใจไม่อยากให้รู้สึกผิดหวังเพราะเรารู้ว่าไอ้การพัดพลาดจะตึงที่ของที่เรามีเจ้าของที่เรารักมัรู้สึกผิดหวังไม่ไม่มีคามสุขเลยจึงไม่อยากที่จะไปละเมิดกาเมีไม่อยากจะไปลักทรัพย์ ไม่อยากจะพูดโกหกมดไม่อยากจะเดินตุลาเมลัยเพราะทําทให้คนที่เรารักเนี่ยเสียใจไม่มีความสุขปัญญามาเริ่มกสะเทือนขึ้นมาหมายความว่าวันฟูวันฟูขึ้นมาตรงตัวตรงตัวขึ้นตลอดสติในการนึกถึงศีลมันก็ยังมีให้ปรากฏอยู่แต่ไม่จับกลายเป็นว่ามันไม่ต้องนึกเหมือนตอนแรตกตอนแรกมันเป็นจิตตั้งมัน่นก็ต้องการละความชั่วจริงๆ ตอนนี้จิตมันตั้งมั่นคงแล้วความชั่วไม่เกิดขึ้นในใจตอนในเรื่อจะทําลายสิ่งไม่มีแล้วรู้สึกสรางตามประดายในใจว่าเราอวัยวะภูมิไม่สามารถจะดึงเราไปเกิดในเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุจกายหรือจะมาเป็นสัตว์ประดิษานอีกได้แล้วทุกที่จะตามมาจบสิ้นแล้วมีแต่ตามทุกที่เป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ตอนนี้แหละความทุกข์เริ่มเห็น เริ่มมองมากขึ้นเริ่มรู้สึกไม่อยากที่จะกลับมาเกิดมากขึ้นจิตเมื่อมีศินอเบริสุทต์จิตที่มีศินเป็นครองใจอยู่ทาให้ความรักพระนิพพานเนี่ยมันมันเพิ่มพูนขึ้นมาเพิ่มพูนขึ้นมารู้สึกว่าินเป็นบันไดที่เราไปสู่นิพพานได้แล้วเราชีวิตชาตินี้เราคงไม่ต้องมไม่อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นคงนะเพียงจะมีความมุ่งมั่นต่อปารถนาอย่างจับใจ ไม่อยากจะมีความทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บการตายความพัดพลาดไม่อยากเจออีกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งเาน่านี้เป็นเพราะว่าเราทุสินมาทั้งนั้นเราต้องมารักใช้ก็ใช้กรรมที่เราต้องมาเจ็บเกยแค่ไม่สดานี่ก็เพราะเราฆ่าตัดตัดชีวิตนี่เราของหายบ้างของเสียบ้างของอะไรบ้างก็เพราะว่าเรารักลับเข้ามาไกการตนที่คนที่เราละใต้ปกครองก็าเรากับดื้อด้านว่ายากสอนยากกับเรา ไปทําให้คนอื่นเขาเนี่ยมีความทุกข์ใจไม่สบายใจทําให้ผู้ปกครองของเขาเนี่ยเกิดกรรมติดตั้งใจคับแค้นจิตใจในสิ่งที่คนเขารักเนี่ยถูกจากเขา้าไปมันก็ทําให้คนที่เรารักเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะยินดีไม่ค่อยจะพึงพอใจในสิ่งที่เราพูดเราทําอะไรคอยขัดใจคอยขัดเคืองอยู่เสมอจิงกลายเป็นคนว่ายากสอนยากนี่นคือมันเป็นอนิสงส์หรือผลแห่งกรรมที่เราทําเรื่องตาเมยมา เพรจริงว่าเวลาเราพูดกับใครเขาก็ไม่เคยเชื่อเราแล้วพูดจริงเขาก็ไม่เชื่อเราพูดจาจายอย่างนั้นเขาไม่เชืมั่นใจในสิ่งที่เราพูดทําให้ใจเรารู้สึกไม่สบายใจว่าทําไมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่ อ, ไมไมอก็เพราะว่าเราเนี่ยมักในการโกหกมดเท็จมาโดยตลอดผลกรรมมันส่งผลยานที่เราประคับประคองชีวิตเคพื่อใอย่างสติของเราต่อเนื่องดีเมื่อกาบบางทีมันหายวุบไปหายไปสติมันหายไปนึกไม่ออก นี่คือตัวที่มันจำเบาๆถ้ามันหนักขึ้นสมองเราเริ่มไม่จำจำยากๆเฉยชาความจำไม่ค่อยดีหนักๆเข้ามันเริ่มจะเพี้ยนคือมันจำเละเทอะควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ฟั่นเฟือนหนักๆเข้ามันก็เป็นโรคประสาทหนักๆเข้ามันก็กลายเป็นคนบ้านี่ก็เป็นอนันดับสองของการดื่มโซลาเมลัยเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะคิดทํำไหมไม่ทํา ปัญญาเขคิดว่าได้ตามสงสารตามทุกที่จะเกิดขึ้นกับตอนอีกในชาติต่อไปไม่อยากเป็นอย่างอีกเพราะชาตินี้ก่อนที่เราจะมามีสินปกติเราก็ทํามาของตามเด็กเราประค่าตะตอนเด็กเราประเกลักตัดตามเด็กรเราอาจจะไม่ประพฤติในกามกับใครแต่ตอนเด็กแล้วก็โกหกมัสเซ็ตจะมาเอาไวุ้่นเล็กหน่อยอาจจะเดื่องตัวลาในไล่กับเพื่อนกันไหนก็มีแต่เราจะมาเห็นตามดีของพระพุทธเธจา้าพระธรรมพระอาริยสงฆ์มันก็นอนเวลามาต้องนาน และช่วงที่มันเป็นอยู่นี้ถ้าเราเกิด อ, อีกอ่ะแล้วก็ต้องมาเจอความทุ๊บอย่างนี้อย่างนี้ที่เราพัฒนาไปหยุดไหมยหยุดการเกิดหยุดไม่อยากเกิดรับท่นิพานจับใจไหมรับมาปรารถนามาทํำอะไรทุกอย่างปรารถนานิ่ทานทีนี้มันใจมันเต็มไปด้วยความอยากทําทบุญเพราะถิอว่าบุญเนี่ยจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยไปนิพพานได้บุญจะส่งผลให้จิตใจของตอนนึกถึงความดีแล้วก็นึกถึงพระได้ง่ายเกาพระไว้ ไปหาพระเข้าทำบุญเข้าทำเต็มเต็มอยากทำอยากช่วยอยากให้ใครเดือดร้อนก็ให้ใครเดือดร้อนก็ช่วยพระสงฆ์องค์เจ้าทีไหนก็ช่วยเป็นกรณีพิเศษเรื่องท้ายรักมากเพราะว่าอะไรเพราะพระพุทธเจ้ามีคุณยิ่งใหญ่พระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเราต้องดูแลเราต้องสงเคราะห์เราต้องหยิบเยื่นสิ่งที่ท่านไม่มีให้ท่านได้มีความสุขท่านบอกอะไรเราให้ท่านขอร้องอะไรเราช่วย ทำจนที่กระเป๋าแฝบกระเป๋าหายกระช่างหัวมันไม่เป็นไรทำต่อไปเพราะอะไรอยากได้นิพพานอยากจะจไปนิพพานตั้งเจตนาแน่วแน่เรื่องเดียวบนฉันข้านี้ท่านปร า, น า, น า, น า, นารถนานิพพานท่านเมื่อปรารถนาสิ่งใดรักมากไหมรักมากอารมณ์ใจมันมีความรู้สึกว่ามันถูกดึงไปแรงเกินไปแรงเกินไปเป็นปัญญาเนี่ยมันตามไม่ทัน มันคิดแต่เอาอย่างเดียวเข้ามาส่งแทนในการทำบุญทำทานจนที่ไม่สนใจละฉันจะทำฉันจะทำฉันจะทำจะจะเอานิพพานจะจะเอานิพพานเรยกว่ารักวยพ่านจนปุ้งมันปุ้งในจิตจิตมันไม่ถูกลังักให้มันตกอยู่ในอารมณ์ที่พอจะยั้งใจให้คิดพิจารณาได้เหมือนกับว่ามาถูกผักดันนดดตาม แต่ออกแตใจฉันต้องเอาให้ได้ฉันต้องเอาให้ได้ฉันต้องไปให้ได้ฉันจะทำฉันจะทำฉันจะทํานี่กัญญาบาบรมีก็ยังไม่เต็มยังไม่เต็ม like ในศีลนะก็ย <work exactement. S 1> ังไม่เต็มอีกพอจิตมาเริ่มคิดพิจารณาว่าเอ๊ะทาไมเราไม่คิดถึงความเป็นจริงบ้างเราไม่ยอมรับความเป็นกฎเกณฑ์ของความเป็นจริงบ้างคือกฎของกรรมบ้างเราคิดเรื่องชีวิตตายเป็นอยู่จริง แต่ทำไมเวลาจะทำบุญทำทานไม่ยั้งใจบ้างว่าเราเนี่ยหมดไปแล้วก็จะทำอย่างไรต่อคนตื่นไม่เดือดร้อนในสิ่งที่เราหมดกระเป๋าเลยหมดหรือเรามัวแต่สนุกกระทำอย่างนี้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาจะมีความสุขใจได้อย่างไงเพราะเขาคิดไม่เท่าเราปัญญาเริ่มเข้าใจว่าเราควรจะมีความเมตตาอย่าความสงสารเราทำเนี่ย ระหวังพระนิพพานมากน้อยเราก็มีความต้องการพระนิพพานแน่แน่นั้นบุญมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําบุญมากๆเราถึงจะไปนิพพานได้บุญมันต้องไปด้วยปัญญาไม่เดียวไปเพราะกำลังของบุญส่งไปนิพพานจะบุญช่วยเราได้มีความสุขทําให้เรานึกถึงความดีของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนได้อย่างง่ายขึ้นจิตมันโปร่งขึ้นเราจึงตั้งใจที่จะเกาะกับสิบ่งอันเป็นบุญเสมอ น้อยมากกระทำนิดนึงก็ทําหน่อยนึงก็ ท, ทําทีนี้มันเริ่มขี้เหนียวคําว่าขี้เหนียว ม, มันไม่ใช่ขี้เหนียวเพราะม่อยากให้แต่มันรู้จักว่าควรให้ไม่ควรให้นะเลือกบุคคนที่จะให้เลือดตึงที่จะต้องทําเหมาะสมไม่จะทำํทำเขาจะทาเพื่อเห็นอะไรก็ให้เห็นอะไรก็ให้กระดั่งให้หมดให้หมดให้อย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าการให้ของเราเราจะไปนิพทานเราจะไปนี้ท า, านานี่ปัญญาบารมีก็ยังไม่เต็ม พาเราเริ่มมีปัญญาดีขึ้นแาติแยะได้ ว, ว่าเราควรให้กับบุคคลที่ควรให้ควรให้ตามเวลาที่เหมาะสมควรให้สิ่งนั้นควรให้สิ่งนี้เขาเขาจึงจะได้สิ่งที่ถูกใจเขาดีสําหรับเขาแล้วก็มีประโยชน์สําหรับเขาทีนี้ซับมันก็รู้จักให้มากก็ไม่เจยดายถ้าเห็นประโยชน์ตรงนั้นนะก็ทุ่มลงไปได้ไม่เสียดายแต่ก็ไม่ ส, สะะัดแต่ ทำตามที่คิดว่าคิดพิจารณาเดีแล้วว่าเราควรจะเอาเงินของเราเนี่ยใจเนี่ยไม่คิดห่วงใยในทรัพย์หมดก็หมดไปเราไม่ต้องการเกิดถูกไหมแต่เราจะทําอะไรเสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาต้องคุ้มค่าของเงินที่เราหาด้วยความยากลําบากถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์หร้อ ว, ว่าทำไปก็แค่นั้นเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสิ่งที่เราให้ให้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วไม่ให้ดีกว่าเอาไปให้กับบุกคน ให้กับสถานที่ให้กับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมดีกว่าทีนี้ก็เริ่มคิดได้วางใจได้กดเรื่องตำกระตัด ก, กระสายของจิตที่คอยจมุง่งเอาแต่ที่จะทำจะทำํำจะทําเพื่ อ, อนิพานทีนี้ปัญญามาจากคำว่านิพานเริ่มชัดเจนขึ้นตรงที่ว่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอาศัยบุญหนักในบุญถึงจะไปนิพานแต่เราต้องเข้าใจว่าโลกนี้เป็นทุกข์ โลกนี้มีจักฟรฟ้าวุ่นวายเรามีร่างกายเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะต้นจากการเียนบ่ายใจเกิดแต่เ ร, ราหมดความปล่อยใจมันนะตัดมันซะครานี้นิพพานมันก็คือว่าอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวมั่นใจแล้วว่าฉันต้องการนิพพานมัม่นใจจากไหนหนึ่งมั่นใจจากศีลระบริสุทธดสองมั่นใจจากการยอมรับความจริงว่าทุกนการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามั่นใจที่เชื่อ ว, ว่าเกิดมามีแต่ทุกข์ ไม่มีอะไรเป็นสุขจริงไม่มั่นใจนะพอมั่นใจอนี้พวก็มีความมั่นใจชั้นปฏิเสธการเกิดเป็นมนุษย์อย่างจริงใจใครจะให้ฉันไปเกิดที่ไหนฉันไม่ไปแล้วฉันจะไปเป็นนิพพานอย่างเดียวครั้นอารมณ์ใจมันไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปมันเรียบมันพอดีไม่มีความสงบของจิตพรอจิตมันสงบมันไม่มีการวิ่นหล่นคือทยานอย่างสุขความสุขเกิดยังเกิดแล้ว ความตเกเกิดแล้วพ่อก ร, ระซักก็เกิดเกิดตรงไหนเกิดตรงที่จิตมันเป็นตกนี่แหละถึงแม้จะมีซักไม่มากแต่ซักก็ไม่ขาดศูนย์ทิ้งเรื่หมดเส้นไปก็ไม่ทําให้จิตของตัวนั้นหวั่นไหวเพราะคิดว่าเป็นเรื่องภายนอกช่างมันเถอะมันถือว่าเป็นเรื่องของกรรมถ้าเรามีบุญเดี๋ยวมันก็มีมาหาเราเองนี่ใจเรื่องคลายไหมคลายกังวลเรื่องการเป็นอยู่ของชีวิตคลายกังวลในสิ่งที่ตัวเองจะต้องประสบเจอ เขายอมรับความเป็นจริงเรื่องของกรรมนั้นอารมณ์ของคนที่ถึงซึ่งศีลบริสุทธิ์มีความมั่นคงในป ร, รัชนาใจมีความรู้ตัวเองอยูเสมอว่าไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอทุกอย่าง่ะจบลงเพียงเท่าเนี้ยคือความตายเราไม่ปรารถนาจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกก็มีจิตจักจะต้องไม่ผ่านเป็นที่ไปองค์ของพระโสดาวันก็ปรากฏครบ ตามสุขก็เกิดขึ้นโพกกระตาคือทรัพย์ที่หลังไหลมาโดยไม่ขาดสายาก็ปรากฏเป็นอริยทัพย์จิตเมื่อเขาถึงตามเป็นผู้ทรงอยู่ในความดีอย่างนี้เทวต า, ารักทุกคนตากศนาจะสงเคราะห์คนดีเถูกไหมเมื่อเห็นคนดีเดือดร้อนเทวดาก็เข้าช่วยเมื่อเห็นคนดีเดือดร้อนคนด้วยกันก็เข้าช่วยเพราะว่าความดีของเขามันหอมกลิ่นลม เพราะเขามีตามบระคิดดีมีความตั้งใจดีมีจิตเรียบไม่มีจิตที่มันแสดงถึงอารมณ์ที่เราไม่อยากเข้าไปเข้าใกล้แต่กับเป็นจิตที่น่ารักจิตที่ควรจะเข้าหาขาดเหลืออะไรมีเลยเขาจะไม่ช่วยช่วยจะขายเอนนอนไอนี้แค่นั้นเขาก็ได้ทันเอ่ยปากเขาแค่เห็นเสร็ไม่มีเขาก็ให้แล้วเห็นได้ว่ารากประการะมันไม่ขาดสายสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์รวยไหมพกก่อกะซัดปากหด มันปรากฏด้วยอํานาจแห่งจิตที่ไม่มีความอะไรกระตับกระต่ายเหมือนคนที่มีตั่ไฟในใจจะเป็นจิตของคนที่มีความเยอือกเย็นสงบเรียบเรียสบสบา ย, บายใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีความรักยังมีคู่ตัวผัวเมียแต่ไม่เยอะแยะของขครยังหาซัพเลิกความฟารุสุดใจด้วยตามไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าเราได้เป็นคนจนแต่คิดอยู่เสมอว่าเราพอกับชีวิตที่เป็นอยู่ แค่นี้เราพอใจนะหมดก็ไม่เป็นไรตายแล้วก็ไปนิพพานถ้าบุญเรามีเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองในอันรตรายรการเวลาเขาปล่อยใจสบายๆมันก็จะเห็นว่าเออเวลาเราขาดอะไรมันกลับมีอฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในขณะที่เรามีจิตใจที่เต็มด้วยความเคารพจริงในพระเนี่ยจิตมันน้อมในการให้ตลอดเวลาใช่ไหมการให้ไปมันก็ได้กลับมาบุญในการให้ขาดนั่นแหละมันทำให้เราไม่พร้อม ไม่พร่องในโคกัสัเธอให้อาหารพระท่านฉันเป็นพัตตาหารให้ท่านอิ่มหนำสำราญเวลาเธต้องการอาหารก็มีคนส่งข้เอเสนอเรื่องอาหารจะให้ส่งปาาลาด้วยใช่ก็ได้ของปลานี้กลับมาแต่คนธรรมดาที่ไม่มีจิตใจเห็นดีเห็นงามในสินไม่มีจิตใจจะไม่ไดความเมตตาจะหยิบยื้นของตอนให้คนคนอื่นยากแต่ให้ข้ารวยมีเงินเยอะแยะเขาก็ไม่ให้ ถ้าไม่เห็นประโยชน์ไหนที่จะให้คนประเภทนี้หมดแล้วหมดเลยเงินที่อยู่ก็ร้อนได้มาก็ต้องจ่ายได้มาก็ต้องติบจ่ายจะมีสักกี่พันล้านก็จ่ายหมดแล้วก็ต้องหามาได้กัน ย, ย, ยืมเข้ามาเอามาใช้หมุนเวียนต่อไปดูหน้าตาของเขาเป็นชี่สังคมบ่งบอกว่าเป็นคนเศรษฐีแต่จริงๆเป็นคนที่คพร่องก็ต้องคอยเตอยู่เสมอในสักแต่คนที่เป็นพระสสดาบันไม่พร่องในสัด มีคนเติมให้เพาต้องหาบุญที่เกิดจากการให้ทานบ่ยอยๆเพราะจิตมันยินดีแต่การให้จะมาน้อยแต่จะให้มีมากทันก็ให้อะไรที่สงเคราะห์ใครได้ท่านก็ช่วยมีหรือว่ายามท่านลำบากจะไม่มีใครช่วยบุญมันมีบุญก็ยังจะบังคับให้เทวาดานเดินใจเข้าช่วยคามดีของเขาจน เ, วเวทเวาดารักษาตัวเขาแม้กระทั่งญาติพี่น้องที่ท่านเป็นเทวดานาังฟ้าเป็นพรมเป็นพระอริยะท่านจะยื่นมื อ, ขอเข้ามาช่วย หมดเดี๋ยวก็มีหมดเดี๋ยวก็มีไม่มีความทุกข์ไม่มต้องมากังวลแล้วว่าตัวเองจะหมดสัตย์ยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งบริจาคยิ่งกลับมาเราอีกไม่หมดสติเมื่อมันไม่หมดสตีก็ตรงตามคติที่พระองค์ตรัสว่าผู้บุคคลใดที่มีศีลบริสุทธิ์บุคคลนั้นมีทุกขสัตย์บุคคลใดมีศิลบริสุทธิ์บุคคลนั้นมีความสุขสุขไหมสุขบุคคลใดมีศิลบริสุทธิ์บุคคลนั้นมีบรรดาเก้าเท้าไปสู่พระนิพพานได้โดยง่าย ครบไหมพระพุทธเจ้าตรัสครบทุกอย่างนั้นคําว่าลังเลสงสัยในความเดของพระพุทธเจ้ามีไหมไม่ลังเลสงสัยวิกิปิชาไม่มีศีลปาปามาจะลุกขำคํามศีลไม่มีกระจายยะทิจิยอมรับความจริงว่าชีวิตเกิดมาต้องตายทุกอย่างมันต้องพังหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่กับเรามัน ม, ม, มันไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างต้องพัดพลากอยางต้องจบไปได้ สิ่งจะเป็นธรรมดาอย่างนี้ะกายแยกที่เจตลาไหมและก็ร่างกายตายก็ไม่ถือเอาเป็นสําคัญเสียไปแล้วปกติธรรมดาไม่ใช่ของฉันร่างกายไม่ใช่ของฉันอย่างตายก็ตายตายเช้าตายสายตายบ่ายตายั่ำก็ควรตายเจติตก็ยังมุ่งมั่นที่จะกระทำเพื่อให้ได้เงินทองมาให้ได้สิ่งนั้นมาเพราะอะไรชอบที่จะทําชอบที่จะให้ทานชอบที่ทําบุญชอบที่สงเคาะ์พระมหาศาสนา ก็เลยขยันที่ทํามาหากินแต่ขยันมีโูคหรือเปล่าไม่ตาแต่ขยันทํามาหากินนะก็ะเรล่นเองขยันนะขยันหมดทุกเรื่องเอ่ทีนี้ว่าจิตใจมันเป็นอย่างนี้คิดว่าปัญญาเต็มไหมนี่ปัญญาบารมีเต็มในสิ่งมันเต็มแล้วในสิ่งความเพียรในขณะที่ตั้งใจรักษาสิ่งเต็มไหมวิทยาบารมีเต็ม ขันติอดทนกับสิ่งที่ตัวเองไม่ไม่เข้าใจไม่สบายใจอีกอาดใจต้องทนข่มใจไว้ข่มตัวเองว่ายายายาอย่าทําอย่าคิดอย่านึกอย่าอยาข่มไหมต้องข่มใจตัวเองขันติก็ต้องมีวิริยาตก็ต้องมีเมตตาก็ต้องมีแต่จะจริงใจกับความตั้งใจที่จะรักษาสิ่งให้บริสุทธิ์ก็ต้องมีมีข้อบททุก ข, ข้ออธิษฐานใจก็ต้องมีเพระาะมันจำเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าฉันตั้งใจรักษาสิ่ง เขาไม่ต้องการกลับมาทุกข์อีกอธิษฐานไหมไอธิษฐานทุกครั้งที่ทำบนเพื่อการได้กลับมาเกิดอุอเบกขาบารมีมีไหมมีเพราะว่าจิตมันมีปัญญามันเริ่มยอมรับกฎของธรรมดาสังขารุเบกขายาอมหมายถึงว่ายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมีหม้หมีแล้วตาตกกับเขาแล้วงนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ตั้งใจรักษ า, าสิ่งบริสุทธิ์อย่างเดียว ทำให้ถึงซึ่งตาเป็นพระโสดาบันได้ไหมได้มัมนจะไม่ใช่ของยากถ้าทุก ข, ข้อหล่ะถ้าเราต้องการเป็นพระสิกขาามีล่ะอนาคามีอรหันล่ะมันของกล้วยๆ ย, ยากไปแค่พระโสดาบันนะถ้าเป็นพระสิกขาามีก็อีกนิดเดียวอนาคามีก็ละอีหน่อยเดียว อาหารก็ละอีกนิดเดียวกรหมดจบไม่มีอะไรยากที่ยากสุดคือความเป็นพระโสดาบันพระคณาจารย์ท่านจึงตรักล่าวว่าบุคคลใดทําจิตใจถึงความเป็นพระโสดาบันในที้นนั่นใดก็สามารถทําผิดของท่าติในถึงความเป็นอรัสตนในที้นนั่งนั้นได้เห็นไหมต่อจากนั้นจะเป็นง่ายจะถึงความเป็นพระโสดาบันซึ่งยาก พราามคุ้นเคยในความคุค้นเคยกับชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราจํามันได้ ว, ว่าสิ่งนี้เป็นที่พอใจแล้วไม่เคยละแล้วไม่เคยเห็นทุกข์เราไม่เคยเห็นความจริงว่าเป็นเพื่อเป็นใครยังไงแล้วไม่เคยละอายแล้วไม่เคยกลัวความชั่วท่านโอกาสเป็นพระโสดาบันจริงยากพอเข้าใจไหมไชนนะ่นะเรื่อสิ่งที่ประเดิษฐ์ประคุณหลวงพ่อเน้นสอนเรื่องอย่างเนี้ยมีเยอะมาก ทานพูดแล้ก็คือสิ่งที่ทันพูดแล้วนั่นแหละแต่ท่นพูดแต่เพราะว่าการจะเอาปัญญาบารมีทําไมต้องมีปัญญาสําคัญไหมสําคัญถ้าเธอไม่คิดเธอไม่สนใจเอาแต่ปล่อยว่าท่านรักะ่ะท่านมีสินท่านมีสินแต่สิ่งเหลๆนี้ไม่เคยคุ้นคิดทั้งหมดสิ่ของคนก็เป็นสินกระด้างกระด้างก็เรียกสินกระดาษมันไม่สามารถจะทําให้จิตของเขาเป็นสุขถูกไหม เพราะว่าสินมันต้องมีโทษษษษ่กับทรัพถ้าสินไบอสุดจริงๆสินน่าต้องนํามาตังความสุขสินจะต้องเป็นบันไดเข้าสู่พระนิพพานได้ง่ายนี่คือข้อวัดว่าคุณมีสินหรือเปล่าถ้าสามข้อเนี่ยมันไม่มีให้เป็นผลในใจของคุณเลยแสดงว่าสิลของคุณยังเหลเวเป๋วยังไม่มั่นคงยังเป็นสินที่ลุกๆุกคำคำสอนิละปามากยังมีอยู่คุณยังไม่ได้รักคับไหม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 นั้นสิ่งที่เราทำไปมันก็ไม่มีผลถูกไหมเพราะปัญญามันไม่ช่วยให้เรามีความสุขนั้นทุกคนเวลาปฏิบัติให้ถือว่าปัญญาเป็นเครื่องเอาให้เรามองเห็นทําให้เรายอมรับทําให้เราเข้าถึงผลต่จ ะ, จะเกิดขึ้นก็จะเมื่อเราได้จับจุดจิตขังเราให้มันสงบตั้งมั่นบ้างแน่วแน่บ้างผลของการปฏิบัติของเจนมันก็จะคึ้นหน้า ไม่ใช่วนวนไปกี่ปีกวนอยู่แค่นี้กี่ปีกวนมาอยู่อย่างเนี้ยให้เราจะพึดตักนาว่าเรารู้เยอะแล้วเราเข้าใจแล้วโอ๊ยได้ได้รักรักรั ก, กมันรักมันจะต้องเช็คดูว่าสามประการเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าเราในความบั่นคงไหมไม่สงสัยว่านี่คือสิ่งที่เราก้าวข้าไปนิพพานได้อย่างสบายชาตนี้มวลาชาตินาคุก็ได้ตายไ ป, ไปสวรรค์ก็ไปต่อยข้างบนก็ได้ นี่คือพูดถึงอารมณ์พรสโตดาดันนะมันก็มเสียงนี้เป็นเส้นฟ้องใจตัวเองว่าฉันไม่กลัวที่จะพลาดแตนิพพานแล้วก็ไม่กลัวว่าจะตกเด้งประตูอบายาภูมิแล้วก็ไม่ก่วงใหญชีวิตว่าในชีวิตจะต้องจก่ใ จ, เ, จเรื่องเลวร้ายแค่ไหนสินที่ตัวเองมีอยู่คุ้มของเหมือนกับท่านอานาตกะเบนตะกะเศรษฐีเห็นไหมแม้ทรัพย์ท่านจะละลายแม้จะมีคนเห็นค่าท่านยังไง ท่าก็ไม่ตามต้นตัวในสิ่งเหล่านี้ท่าคิดว่ามันไม่ได้ธรรมดาดูชัดๆ ท, ที่เคยยกตัวอย่างคือพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละชัดเจนมากในเรื่องของกําลังใจของพระโสดาบาันว่าท่านอยู่ในคุกอย่างนั้นยังมีความสุขได้อยังทํากิจของท่านเป็นสุขได้คนธรรมดาไม่มีสุขจริงไหมแล้วตอนที่ทำรายท่านไม่ใช่ใครโรคที่ระโรคที่ตนเองร ะ, ระมาก ถ้าเป็นพระไม่เป็นพระโสดาบันในของมึงมึงมึงไอ้ลูกไรยอมมึงไอ้ซะอย่างนั้นแล้วใช่ไหมแล้นี่ท่านไม่มีใจที่จะคิดอย่างนั้นถ้ายอมรับตัวของกรรมในพระโสดาบันนะถ้าจะจะเช็ดอารมใจเทวะเราเนี่ยถึงคามเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังก็ต้องเช็ดขนของใจเหมือนอย่างท่านพระเจ้าพิมพิสารอย่างนั้นเห็นชัดมากนี่คือข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือเราจะเห็นว่าเราเนี่ย มีความมั่นคงในพระตาารตนากรัยแล้วไม่เกิดความโกลวว่าตัวเองาตาแล้วก็ต้องตกนรกและก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองมีรักปีตินวัิจุดเนี่ยฉั้นต้อไปนี่ผ่านได้ในชาติใบชาติหนี่งได้แน่นอนถ้าไปชาตินี้ไม่ถึงมันต้องข้ามเหมนสวรรค์ก็ไปต่อเมนสวรรค์ได้ถ้ามีความเป็นพระโสดาบันขั้น อ, อ่ อ, อนๆก็เรียกขัดตะขัดตร ง, งก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกแต่ก็เป็นมนุษย์อย่างผู้ที่มีความสมบูรณ์ บางประเทศเจอผู้เจ้าจบเด็กก็เป็นพระอรหันต์ไม่ยากเห็นไหมก็เขาฝากของเเลไว้กับเซลไว้นะในวันนี้นะว่าการปฏิบัติทำตามดีมันเป็นของไม่ยากถ้าเรารู้จักคิดให้มันตรงทางใช้ปัญญาในการคิดในการปฏิบัติ ด, ด้วยอย่าปล่อยอให้สิ่งที่เรากระทาไปมันเลื่อนลอยผ่านไปผ่านไ ป, ไปโดยที่เราไม่รู้จักที่จะคิดหาเหตุหาผล หาความจริงว่าความจริงมันคืออะไรถ้าความเราเข้าใจความจริงได้มากเทไร่การที่ปฏิบัติในศีลปฏิบัติในธรรมปฏิบัติทำตามเข้าใจให้มาละเอียดยิ่งขึ้นมันเป็นของไม่ยากอะไรเลยโดยเฉพาะข้อที่มีความสําคัญที่สุดคือพยายามมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรากายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กาย กายไม่มีในจิตจิตก็ไม่มีในกายกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะป่วยกายจะตายมันเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของจิตเราต้องคิดอย่างนั้นนะเราไม่ตายแต่ที่มันตายคือร่างกายมันตายนั้นทุกคนเนี่ยตายตายหมดแต่ว่าตัวเขาไม่ได้ตายธาตุขันมันตายตั้งหากมันพังตัางหากมันตายต่างหากมันตราลพลเปลี่ยนไปนั่นเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของจิตเขาในส่วนละเอียดที่ลึกไปกว่านี้เอาไว้วันหลัง ดังจะค่อยๆไลอ่อางม์ขึ้นไปถ้าเป็นวาระจิตที่เธอทุกคนพึงได้รับนะแต่วันนี้พระท่านเมตตาให้เธอได้เข้าใจเดื่อารอาศัยคําว่าปัญญาบารามีเป็นที่ตั้งเข้าใจไหมอาจารย์นั่งกราบขอบพคุณพระผู้ใจจ้าพระองค์ท่านนะกราบขอบพคุณครูบาอาจารย์ที่สงเคราะห์มีหลวงข้อของเราเป็นที่สุดอ่าตั้งใจอุทินตนก็สนกันนะ ทางบุญญาพลังผลและบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอเจตสูตรกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เปยล่วมเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไอยท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่จจุบัดนี้กราบเ้าเข้าสู่พระนิพพานและขอทธิ์ุขุตนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปารักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายรักษาคนละทีิพบ์พและพญาเยมราศขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราช ในโปรดโมทนาในโปรดเป็นสักขีพยานในการบาเพ็นกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศล น, นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิเชญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนา เพิงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะเึงได้รับในการระบาดเดี๋ยวนี้เสร็ผลลัพธ์บุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประเพณิแล้วณโอกาสนี้ขอผลลัพธ์บุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง เพิพระนิพพานในชาติตบันไดเิในชาติบันไดเกนดยะชาวริวาฮาุราปาริุเรนติตาครังเอวะเมวะอิตตวชนังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปจิตตังตุมหังคิวะเมวัตมิสตตุสัคเหปุเรนตุตังกัปตาจันโตปนราโทยยะา มณีโชติราชโทนยถาสัตติธิโยมีวัตสันตุสัพโรโขวินัสตุมาเตผวันบรรตราโยสุขีที่ขายุกโกภวะอภิวาจนะตีริสนิจังวุฒาปจายินโนจัตตารโอธรรมวัตสันติอายุวันโนสุขังพระลัง อรหังสัมมาสัมพุทธ佛พระโควาพุทธังพระวันตามอภิวาเทมิสวาขาโตพระครวตตาจมโห ม, มังนัมมาตามิสุปฏิปันโนพระครวตตาวะกสังโค สังคังนัมามิ